ลำดับที่หสโตกาลิยา น, นิเทศแสดงยานความรู้เครื่องอบรมสติข้อ387หน้า246ยานในความทำสติ32อะไรบ้างคือพิสุจในตาวินัยนี้อยู่ในป่าก็ตามอยู่ที่โคนไม้ก็ตามอยู่ที่เรือนว่างก็ตามนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราจักหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราจักหายใจออกอยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราจักหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราจากหายใจออกสั้นย่อมสำเนียกว่าเราจากรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจากรู้แจ้งซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจากรับกายสังขารหายใจเข้า ย่อมสำเหนียกว่าเราจักระนับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งปีติหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่า เราจักรู้แจ้งซึ่งสุขหายใจออกย่อม<ย>สำเนียกว่าเราจักรูแ้จจรจรแจ้งซึ่งจิตตะสังข า, หาออ ร, า ร, รหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตตะสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับจิตตะสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่า เ ร, รเราจับระงับจิตตสังขารหายใจออกย่อมสำเนีกว่าเราจักรู้แจ้งซ Fo ึ่งจิตหายใจเข้าย่อมสำเนีกว่าเราจักรู้แจ้งซึ่งจิตหายใจออกย่อมสำเนีกว่าเราจับยังจิตให้เบิกบานหายใจเข้าย่อมสำเนีกว่าเราจับยังจิตให้เบิกบาน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 ย่อมสำเนีกว่าเราจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมสำเนีกว่าเราจะพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกย่อมสำเนีกว่าเราจกพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมสำเนีกว่าเราจกพิจารณา เห็นความคายกำหนัดหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจากพิจารณาเห็นความดับหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจากพิจารณาเห็นความดับหายใจออกย่อมสำเหนียกว่าเราจากพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าย่อมสำเหนียกว่าเราจากพิจารณา เห็นความสละคืนหายใจออกข้อ388หน้า247คําคำว่านี้ความว่าในทิฐินี้ในความชอบใจนี้ในความพอใจนี้ในการเรียนเอานี้ในธรรมนี้ในวินัยนี้ในธรรมวินัยนี้ในปาพจน์นี้ ในพระมรรจา น, นี้ในสัตวศาสตร์นี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าในธรรมวินัยนี้คําว่าภิกษุความว่าภิกษุผู้เป็นกัลยาณนปุถุชนก็ตามเป็นพระเสขะก็ตามเป็นพระอรหันต์ผู้มีธรรมไม่กําเริบก็ตามคําว่าป่าความว่า สถานที่ทุกแห่งนอกเสาเขื่อนไปสถานที่นั้นชื่อว่าป่าคำว่าโคนไม้ความว่าอาสนะของพิษุเึ่งจัดไว้ที่โคนไม้นั้นคือเตียงตังฟูเสื่ออ่อนท่อนหนังเครื่องลาชทำด้วยหญ้าเครื่องลาชทำด้วยใบไม้หรือเครื่องลาดทำด้วยาาาฟาง ภิษุกเดินยืนนั่งหรือนอนที่อาสนะนั้นคําว่าว่างความว่าเป็นสถานที่ไม่พลุกพล่านด้วยใครๆจะเป็นคระหัดก็ตามเป็นบรรบชิตก็ตามคําว่าเรือนได้แก่วิหารเรือนมงแถบเดียวปราสาทเรือนโล้นถ้า คำว่านั่งคูบันลังความว่าวิสุทธนั้นเป็นผู้นั่งคูบันลังคำว่าตั้งกายตรงคือกายเป็นกายอันวิสุนั้นตั้งวางไว้ตรงคำว่าดํารงสติไว้เฉพาะหน้ามีอธิบายดังนี้คำว่าเฉพาะสับาลีว่าปริมีการกําหนดถือเอาเป็นอัด คำว่าหน้าสับบาลีว่ามุขขังมีความนำออกเป็นอัดคำว่าสติมีความเข้าไปตั้งไว้เป็นอัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าดำรงสติไว้เฉพาะหน้าข้อ389หน้าสองสิคำว่าเป็นผู้มีสติหายใจเข้าความว่า ภิสุทำสติโดยอาการ32คือพิกสุเป็นผู้ตั้งสติมั่นเพราะรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุง้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจเข้ายาวชื่อว่าเป็นผู้อบรมสติด้วยสตินั้นด้วยหยานนั้นเป็นผู้ตั้งสติไว้มั่นเพราะรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุง้งซ่านด้วยสามารถลมหายใจออกยาว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 ไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถความเป็นผู้พิจารณาเห็นปฏินิสักะคือความฉละคืนหายใจเข้าเป็นผู้ตั้งสติไว้มั่นเพราะรู้ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านด้วยสามารถความเป็นผู้พิจารณาเห็นปฏินิสักะหายใจออกชื่อว่าเป็นผู้อบรมสติด้วยสตินั้นด้วยญาณ น, นั้น